ชุมชนเวลาเราปรนมือขึ้นมาเวลเเาไปอ อ, ออกในกล้องวิดีโอถ่ายภาพออกไปแล้วมันดูดูแลเหมือนกับโภคพระของเราหมดสภาพเป็นคนหมดเป็นพระที่หมดสภาพหมดความใส่ใจสนใจมันดูแล้วไม่ดีดูออกภาพออกมาแล้วไม่สวยงาม ในสายตาของหลวงพ่อนะแต่องค์อื่นจะวย่างไงกัสุดแท้แต่แต่ในสายตาของหลวงพ่อหลวงว่าดูแล้วไม่ดีไม่ไม่งามในมันออกมาทูสุมชนสังคมเราต้องอผู้เป็นแนวหน้านายหน้าเรีอกว่าเป็นผู้นำชุมชนเป็นพระสงฆ์เป็นผู้นำชุมชนกิริ ย, ยามารยาทที่ไหนเราต้องสํำรวมระวัง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 มันดูแล้วเราเป็นใครถ้าเราอยากจะเป็นเราต้องศึกซะก่อนเราจึงเป็นถ้าเราเป็นพระอยู่นี่ต้องมีให้หิโตรปะผ้ากาสาวะของของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ควรจะแปดเปื้อนปนเปื้อนกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นเราต้องรักษาศักดิ์ศรีเออศักดิ์ศรีของผ้ากาสาวพัดเออศีรษะโล้น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 ที่ท่านประธานให้มาไม่ใช่อยู่ในฟอร์มของเราทําเองเป็นยูนในฟอร์มของพระพุทธเจ้าเป็นยูนในฟอร์มของพระหรหัสสาวกท่านใช้ท่านครองมาอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องสำนึกไว้อยู่เสมอเราเป็นใครเราเป็นใช่เป็นครวาดเราเป็นคนก็จริงอยู่แต่เราเป็นคนที่ว่าบวชในพระพุทธศาสนา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 แต่ถ้าอยู่อยู่ในฟอร์มเนี่ยห้ามเด็ดขาดใครจะทำใครจะทำชั่วชั่วเสียหายชั่วช้าลามอกอย่างนั้นถ้าเป็นลูกสิธิ์ของหลวงพ่อบอกมานะเราจะขีดเส้นไว้เลยห้ามเข้ามาวัดหลวงพ่อเด็ดขาดพาเร็วเชั่วชนะ่ววันทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้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 ถ้าว่ามามากมายหลายปริมาณมีแต่เพชรนินจินดามากมายกองพเลเรือนเทิบ เ, เ, เป็นภูเขาเหล่ากาเออดีดีแบบคุณภาพออแต่มากมายเข้ามามีแต่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมีแต่ราคะโทสะโมหะมีแต่กี้เลศมันหลายอย่างงั้นมีแต่หลายเสียหายเ อ, อหลายเสียหลายสั อ, อตามจามซ้าเร็วตาม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 พอล า, ลาลามือสักหน่อยนะโผล่เข้ามาล่ะเห็นน่พอพูดเข้ามาก็หายเงียบไปเข้มแข็งหน่อยหนึ่งมันพวกนิสัยหล่งเวลาเห็นอย่างเสติ๊กก็กลัวซะหน่อยหนึ่งพอหยุดอย่างเะติ๊กนะดื้อด้านขึ้นมาอีกพวกทันทั้งหลายนะฟังให้ถึงใจนะที่ทผมพูดนะแล้วก็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 ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาหลับทั้งหมดไม่ใช่เวลาพวกท่านทั้งหลายทาเสร็จแล้วมีอะไรเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาเน่ยหลวงพอ่อดูแลผมเห็นนะบางสิ่งบางอย่างมันไม่น่าจะทำทำบางอย่างเห็นเห็นด้วยถือถ้าว่าสงสัยเข้ามาถามเราก่อนพอเรายังยังอยู่เรานั่งเป็นหัเอ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 ไม่ให้ทำโดยเด็ดขาดเพราะมันเสียเสียแนวปฏิปทาครูบาอาจารย์ถ้าวหกพวกท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราตายไปแล้วพวกท่านทั้งหลายจะทำกับสุดแท้แต่แต่ในวัดของเราห้ามทำอย่ามาทำทำอย่างนี้ละ่ะไม่มีชื่อเสียงมืชื่อเสียงไม่มือชื่อเสีย ง, ยงโด่งดังไม่โด่งดังเราไม่รับรูรับทราบ แต่เราจะยึดแนวแถวครูบาอาจารย์นี่แหละแบบสมร t h แบบพระป่าพระกรรมฐานนี่แหละเรานี่อันนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ศึกษากับหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะอยู่แบบยังไงละ่ะแบบเรียบง่ายแต่ให้ภาวนาเรื่องจิตภาวนานี่ยสำคัญ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 วาศาสนาครูบาอาจารย์พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอแต่เข้าใกล้แต่ไม่สนิทสนมไม่ใช่เขาจะเอาเชือกพูดคอเอาเชือกผูกคอจูงตามหลังเขาไม่ใช่แต่เขาไม่ไกลแต่เขาไม่ไกลคนวารานเขาบอกว่ า, วา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 หลวงปู่มั่นท่านสอนสอนขั้นปริญญานะออแต่สอนขั้นปริญญานะแ ต, าแต่แต่เรานี่สอนขั้นมัธยมอแต่หลวงปู่ครูบายอาจารย์หลวงปู่ต่างๆด้วยมากท่านสอนขั้นปฐมคล้ายๆก็ว่าเป็นพื้นฐานอ่าญาติญาติโยมากผุดโทนะหลวงปู่มัละหลวงปู่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 หลวงปูห่หลีอวัดวัดโศกา ร, รามโผล่ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่โกงมาจากนั้นก็ครูบาอาจารย์น่ดังและเบิดไปทุกหัวละแห่งของประเทศไทยอคือล้นแล้วจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งหมดทนีพอดังขึ้นมาพร้อมกันดงดังขึ้นคนละแห่งและหนคนละทิศต่างหลวงปู่ แหวนก่อดใจหลวงปู่ชิมกอดใจหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เขาหลวงปูออ่อ่อนกล้ไม่จบเลยท่นี่ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปูม่มั่นหลวงปู่ดุลอยู่คนละทิศละทางคนละคนละจังหวัดกันนั่นแหะอันนี้ก็คือแนวแถวที่องค์หลวงปู่มัน่นท่านสอนพระท่านเน้น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 แต่ศรัทธาญาติโยมเข้ามาใช่วิทาาสตร์ในระดับหนึ่งก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเขาก็ให้อยู่ในระดับระดับหนึ่ง อ, อ, อย่าให้ล่วงรับเขตเข้ามาอันนี้เราเป็นพระสิ่งเหล่านี้คือเนี่ยครูบาอาจารย์สอนออสอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างหลวงตาเนี่ยท่านสอนให้เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้นำ เ, เป็นผู้นำเป็นผู้ นำของชุมชนนำลูกศิษย์ลูกหาอแต่ตัวตัวของท่านเองท่านก็สอนหลายระดับสอสําหรับศรัทธาญาติโยมวะยะตอนเช้ามาก็เห็นวะท่านก็เทศทนาว่าการมาลุ่มมตุ้มพอช่วงลงักหลงังแต่ช่วงกลอนกอดไม่เป็นละอลงตาอยู่เอเป็นตัวของตัวหัวลงตาใครจะเข้าไปหาได้แต่ไม่จําเป็น